ตอนที่สี่หุ่นเชิดนี่มันกลายเป็นหุ่นเชิดไปแล้วสีนะเมื่อชูหลิงเห็นภาพตรงหน้ามีหรือที่เขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมนุษย์คํานวณมิสซูฟ้าลิขิตแผนการที่เขาวางไว้ดิบดีดูเหมือนจะไร้ความหมายไปเสียแล้วจักรพัดหุ่นเชิดงั้นหรือเล่นกันแรงเกินไปแล้วภายใต้การทําความเคารพของหลี่จงและคณะและภายใต้สายตาที่จับจ้องของชูหงและชูเปียวชูหลิงลุกขึ้นยืนอย่างช้าช้าด้วยใบหน้าเรียบเฉยเขาสบตาไปทางทิศของพระราชวังวี เพราะว่ามีสิ่งปลูกสร้างมากมายเกินไปที่บทบังทัศนิวิสัยของเขานอกจากถูกบังคับให้ยอมรับแล้วเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกไปกันเถอะชูหลิงถอนหายใจเบาๆก่อนจะก้าวเท้าไปข้างหน้าในยามนี้นอกจากเลือกที่จะยอมรับแล้วเขาจะทําอะไรได้อีกปฏิเสธหรือเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธด้วยอย่างนั้นหรือตั้งข้อสงสัยหรือถูกเลือกให้เป็นจักรพรรดิผู้สืบทอดแต่กลับตั้งข้อสงสัยต่อหน้าสาธารณชน นั่นมันจะน่าขันเพียงใดกันชูหงชูเปียวและคนอื่นๆที่ยืนอยู่ต่างพากันจ้องมองชูหลิงด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันไปเคลื่อนขบวนหลี่จงที่เดิมทีคุกเข่าอยู่รีบลุกขึ้นยืนและขานสั่งเสียงดังเหล่าองคาขรเกียิที่เดิมทีคุกเข่าข้างเดียวอยู่ท่ามกลางสายตาของฝูงชนมีคนสองสามคนเดินก้มหน้าเข้ามาหาชูหลิงจากนั้นก็คุกเข่าข้างเดียวลงเสี่ยงมนุษย์นี้ช่างดูแปลกตานัก ชูหลิงรู้สึกเ ย, ออยื่อใยนอยู่ในใจแม้เขาจะไม่อยากนั่งแต่ก็มีคนเข้ามาประคองเขาและความหมายนี้ชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดหากใครที่คุ้นเคยกับราชาสำนักย่อมรู้ดีว่าคนไม่กี่คนที่เดินออกมานี้มีฐานะสูงส่งเพียงใดคนที่ก้มหน้าประคองชูหลิงอยู่ในขณะนี้คือซุนเปินบุตรชายคนโตของซุนเหอมหาเสนับดีฝ่ายทหารตาซื่อหม่าต้าเจิงจวินส่วนอีกสี่คนที่เหลือได้แก่จงจือหลานชายคนโตของจงชวนแม่ทัพอัศวินตาซื่อหม่าเพี้ยจี้เจี้ยนจวิน ช้างเฟิงหลานชายคนโตของฉ้างหลี่แม่ทับรู้สึกตาซื่อมาเชิดจี้เจี้ยนจวินสวีปินหลานชายคนโตของสวีชู่ชิงกัวกงและสร้างกวนซิ่วหลานชายคนโตของสร้างกวนหงเจียงกัวกงหากเป็นเช่นนี้แล้วหลี่จงยังสามารถปลอมแปลงราชองการได้อีกราชวงศ์อวี๋ก็คงถึงการอาวสานแล้วละ่ะจะพังประดานนี้ยังไงดีชูหลิงที่ถูกประคองให้นั่งลงบนเสลียงนอกจะจะรู้สึกเจ็บก้นอยู่บ้างเขากลับกำลังครุ่นคิดถึงเรื่องหนึ่งหรือว่าชาตินี้เขาจะต้องเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิดไปตลอดจริงๆ แบบนี้ไม่ได้การคำนิยามของจักรพรรดิหุ่นเชิดก็คืออายุสัน้นเขายังไม่ทันจะคุ้นเคยกับราชวงศ์อวี๋เลยก็ถูกกักขังไว้ในวังลึกเสียแล้วเมื่ออายุมากขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุจนต้องจับไปขึ้นมามันจะกลายเป็นเรื่องแบบไหนกันเคลื่อนขบวนทว่าไม่ว่าชูหลิงจะคิดอย่างไรหลี่จงและคณะก็ได้เริ่มออกเดินทางแล้วส่วนฝูงชนที่เหลืออยู่หน้าโจรสิบอองนั้นไม่มีใครชายตาแลแม้แต่น้อยจักรพรรดิผู้สืบทอดถูกเลือกออกมาแล้ว แม้คนที่ถูกเลือกจะเป็นชูหลิงก็ตามแต่สําหรับองครักษ์เกียรติเหล่านี้แม้ในใจจะมีความสงสัยแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมานี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะเข้าไปแทรกแซงได้เพราะสถานการณ์ในราชสำนักยามนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เช่นกันปู่ย่าตายายและบิดาของพวกเขายังคงมีบทบาทอยู่ในราชสำนักในฐานะลูกหลานขุนนางนอกจัดจะถูกเลือกเข้าเป็นองครักษ์เกียรติหลังจากผ่านพิธีสวมหมวกตามระเบียบเพื่อ ส, สมบารมีแล้วดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นอีก หิมะเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆโปรยปลายลงบนร่างกายของชูหลิงสายลมหนาวที่พัดมาทําให้ชูหลิงรู้สึกเย็นเยือกชูหลิงที่นั่งอยู่บนเสี่ยมนุษย์มองดูสิ่งปลูกสร้างของเมืองหลวงที่อยู่เบื้องหน้านอกจากสีขาวที่มองเห็นได้สุดลูกหูลูกตาแล้วดูเหมือนจะไม่มีสิ่งอื่นใดอีกกรอบกแกรบนอกจากสิงหฝีเท้าที่เหยียบย่าลงบนหิมะที่ดังอยู่ข้างหูแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีสิ่งอื่นใดอีกเวลาผ่านไปราวหนึ่งจิบชาสีแดงสายหนึ่งที่อยู่ไกลๆ ก, ก็ปรากฏแก่สายตา กำแพงวังนั้นแดงราวกับโลหิตใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาอีกกำแพงวังที่สูงเสียด ฟ, ฟ้าปรากฏขึ้นในคันลองสายตาของชูหลิงบนกำแพงวังเหล่านักรบสวมเกราะนับร้อยยืนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆพวกเขายืนตัวตรงราวกับรูปปั้นบนหมวกเกราะและที่เอวของพวกเขาทุกคนต่างผูกผ้าคล้ายขาวเอาไว้ส่วนบนร่างกายมีหิมะบางๆปกคลุมอยู่ชั้นหนึ่งวูวัวในตอนนั้นเองเสียงแตรที่ทุ้มต่ำก็ดังขึ้น ประตูวังที่เดิมที่ปิดสนิทค่อยๆเปิดออกเมื่อขบวนของชูหลิงเคลื่อนเข้าไปใกล้จากประตูเล็กทั้งสองข้างของประตูวังก็มีกลุ่มคนเดินก้มหน้าออกมาเป็นจำนวนมากผู้นําขบวนคือเสี่ยวหวงเหมินขันทีรับใช้ร่างกายกำยำสิบกว่าคนพวกเขาหามเกี้ยวหลวงเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเช่นจักรพันดิผู้สืบทอดเปลี่ยนขบวนเสด็จหลี่จงที่เดินตามอยู่ข้างกายตลอดเวลาขานสั่งขึ้นขบวนองค์ขรเกียรติที่กำลังเคลื่อนที่หยุดลง ซุนเปินก้มหน้าลงเล็กน้อยประคองชูหลิงลงจากเสลี่ยงมนุษย์น้อมรับจักรพรรดิผู้สืบทอดเข้าสู่ตําหนักต้าซิงทันทีที่ชูหลิงยืนได้อย่างมั่นคงเสียงตะโกนก้องกดังขึ้นเหล่าเสี่ยวหงเหม็นร่างกายกํายําหามเกี้ยวหลวงมาหยุดอยู่ตรงหน้าชูหลิงและคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกันจักรพรรดิผู้สืบทอดเชิญเสด็จหลี่จมก้มหน้าขานสั่งเฮ่อเห่ อ, หอเมื่อตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ชูหลิงอยากจะหัวเราะ อ, ออกมานักแต่เขากลับหัวเราะไม่ออก การก้าวขึ้นสู่เกี้ยวหลวงนี้และการก้าวผ่านประตูวังที่อยู่ตรงหน้านี้ก็เท่ากับว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่เมืองที่ถูกล้อมไว้แล้วหลังจากนี้จะต้องผเผชิญกับอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเกรงว่าคงมีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ชูหลิงในหน้ามองไปยังกำแพงวังเมื่อสายตาของเขากวาดผ่านไปเหล่าทหารรักษาพระองค์ที่ประจําการอยู่บนกำแพงวังต่างพากันถอยหลังไปหลายก้าวและคุกเข่าข้างเดียวลงกับพื้นไปกันเถอะเมื่อเห็นภาพนี้ชูหลิงก็หมดความสนใจเขาจึงเดินตรงไปยังเกี้ยวหลวงที่อยู่ตรงหน้า จักรพัดผู้สืบทอดเชิญเสด็จหลีจงขานสั่งจากนั้นก็เดินตามหลังชูหลิงไปติดติดเมื่อชูหลิงเดินไปถึงเกี้ยวหลวงหลีจงก็ยื่นมือออกไปประคองชูหลิงเมื่อชูหลิงนั่งลงบนเกี้ยวหลวงเสี่ยวมงเหมน็นสิกว่าคนก็ยกเกี้ยวหลวงขึ้นเทียเสียงฟ้าแซ่ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณเคลื่อนขบวน เสียงนับสิบดังขึ้นพร้อมกันเกี้ยวหลวงค่อยๆเคลื่อนที่ไปชูหลิงที่นั่งอยู่บนเกี้ยวไม่รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนมากนะักขบวนเสด็จนี้เคลื่อนที่ไปตามระเบียบแบบแผนในชั่วขณะที่ผ่านประตูวังตรงหน้าชูหลิงได้ยินเสียงที่บาดหูประตูวังปิดลงส่งเสียงดังสนั่นประตูบานนี้ที่ค่อยๆปิดลงเป็นการประกาศว่าชูหลิงได้ตัดขาดจากโลกภายนอกวังแล้วไม่มีใครรู้ว่าในตอนนี้ชูหลิงกําลังคิดอะไรอยู่แน่นอนว่าสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็ไม่อยากรู้เช่นกัน ห้องเติงก่อนสวรรคตขด่งกรทันหันวังอวี๋จะขาดห้องเตมไม่ได้บัดนี้วังอวี๋ได้ต้อนรับห้องเติงใหม่แล้วซึ่งนั่นทําให้ใจของคนบางกลุ่มเริ่มสงบลงแม้จะมีบางคนที่รู้สึกตกใจที่ชูหลิงได้กลายเป็นจั ก, กรพรรดิผู้สืบทอดแต่ดูเหมือนว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะตัดสินได้นอกจากเลือกที่จะยอมรับแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นอีกจิตใจของจั ก, กรพรรดิผู้สืบทอดดูเหมือนจะแตกต่างจากองค์อื่นๆ หลี่จงที่เดินตามอยู่ข้างเกี้ยวหลวงความจริงแล้วเขากําลังสังเกตชูหลิงอยู่ตลอดเวลามันไม่เหมือนกับที่เขาคิดไว้ชูหลิงดูเหมือนจะไม่มีความดีใจหรือเสียใจเลยยิ่งการร้องให้โยเยนั้นยิ่งไม่มีให้เห็นนี่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของหลี่จงอย่างเห็นได้ชัดในฐานะเซาเจียนรองเจ้ากรมขันทีแห่งตำหนักต้าซิงก่อนที่ห้องเต้งก่อนจะสวรรคตเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในระดับเดียวกับเขายังมีอีกสาคนและเหนือหลี่จงขึ้นไปยังมีต้าซิงเจียนเจ้ากรมขันที อีกหนึ่งคนที่เขาได้รับมอบหมายให้ออกนอกวงมาประกาศราชโอง์การได้นั้นเป็นเพราะเขารู้จักกละเทส ส, ส่วนต้าซิงเจียนและเซาเจียนอีกคนที่ไม่รู้จักกละเทสต่างก็ตายไปอย่างเงียบเชียบแล้วทว่าชูหลิงที่ไม่ร้องให้ไม่ไวอยวายกลับทําให้หลี่จงรู้สึกกังวลอยู่ในใจหรือว่าในวังอวีอีกไม่นานจะต้องเกิดพายุ ข, ขึ้นอีกครั้งความจริงแล้วในส่วนลึกของหัวใจหลี่จงยังคงมีความลังเลอยู่บ้างเขาควรจะเลือกข้างดีหรือไม่จักรพรรดิผู้สื่อขอเสด็จถึงแล้ว และเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นก็ทําให้หลี่จงได้สติกลับมาจากนั้นเงยเย็นเย็นก็ผุดขึ้นที่แผ่นหลังของหลีจงนี่ควรจะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องขานสั่งร่วมกับอีกคนหนึ่งแต่เขากลับเมือ่ลอยไปเสียได้ดูเหมือนจะมีช่องโหว่หางตาของชูหลิงเหลือไปเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าของหลี่จงและในช่วพริบตา น, นั้นชูหลิงก็เริ่มวางแผนในใจหากเขาต้องการหลุดพ้นจากการเป็นจากกาันจกรดิหุ่นเชิดและหลุดพ้นจากภัยคุกคามเรื่องอายุสั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจวังอวิสเสียก่อน